ยากตะบทกามวจรวิปากจิตปัญจวิญญาณที่เป็นกุศลวิบากสภาวะธรรมที่เป็นอพยกฤตเป็นไฉนจะขู่วิญญาณที่เป็นวิบากสหรคตรด้วยอุเบกขามีรูปเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะได้ทำได้สั่งสมกรรมวจรกุศลกรรมไว้แล้วในสมัยใดในสมัยนั้นภาษะเวทนาสัญญาเจตนาจิตอุเบกขา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 ในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าเอกคตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นมนินทร์สีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นชนจิตมโนมานัหาไทยปัญธระมโนมนายัตนามนินทร์สีวิญญาณวิญญาณขัน์และมโนวิญญาณท่าที่เหมาะสมกันในสมัยนั้นนี้ชื่อว่ามนินทร์สีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นผู้เปกินสีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉนิด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 เจตนาเอกคตาและชีวิตินทรีสีหรือสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งอาศัยกันเกิดขึ้นแม่อื่นในสมัยนั้นเว้นเวทนาขันสัญญาขันและวิญญาณขันนี้ชื่อว่าสังขารขันที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพยากฤิตสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤิตเป็นชนโสตะวิ ญ, ญญาณที่เป็นวิบากสหรโครด้วยอุเบกขา มีเสียงเป็นอารมณ์เกิดขึ้นคาเนวิญญาณที่เป็นวิบากสหรโคดด้วยอุเบขามีกลิ่นเป็นอารมณ์เกิดขึ้นชิวหาวิญญาณที่เป็นวิบากสหรโคดด้วยอุเบขามีรสเป็นอารมณ์เกิดขึ้นกายวิญญาณที่เป็นวิบากสหรโคตด้วยสุขเวทนามีโผฏฐพะเป็นอารมณ์เกิดขึ้น e. เพราะได้กระทําได้สั่งสมการมวจรกรุศลกรรมไว้ในสมัยใดในสมัยนั้น ภาษะเวทนาสัญญาเจตนาจิตสุขเอกคพตามนิรีสุขิ น, น, ขนีและชีวิตินีก็เกิดขึ้นหรือสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งอิงอาศัยกันเกิดขึ้นแม้อื่นในสมัยนั้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัภยากฤตภาษะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนการกระทบกิริยาที่กระทบกิริยาที่ถูกต้อง ภาวะที่ถูกต้อง ท, ท, ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าภาษะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเวทนาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนความสำราญทา ง, งกายความสุขทางกายอันเกิดแต่สัมผัสแห่งกายยวิญญาณท่าที่เหมาะสมกันความสวยอารมณ์ที่สำราญเป็นสุขอันเกิดแต่กายสัมผัสเิริยาที่สวยอารมณ์ที่สำราญเป็นสุขอันเกิดจากกายสัมผัสในสมัยนั้น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 สุขที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนความสําราญทางกายความสุขทางกายความสวยอารมณ์ที่สําราญเป็นสุขอันเกิดแต่กายจสัมผัสกิริยาสวยอารมณ์ที่สําราญเป็นสุขอันเกิดแต่กายจสัมผัสในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าสุขที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเอกคตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนความตั้งอยู่แห่งจิตในสมัยนั้นนีิชื่อว่าเอกคตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น มนินรีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนจิตมโนโมานัสหาไทยปันระมโนมนายตนะมนินรีวิญญาณวิญญาณขันและมโนวิญญาณท่าที่เหมาะสมกันในสมัยนั้นนี้ชื่อว่ามนินรีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสุขินสีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนความสาราญทางกายความสวยอารมณ์ที่สำราญเป็นสุขอันเกิดแต่กายสัมผัส กิริยาที่สวยที่สำราญเป็นสุขอันเกิดแต่กายยสัมผัสในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าสุขินสีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นชีวิตินสีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนอายุความดำรงอยู่ความเป็นไปกิริยาที่เป็นไปอาการที่สืบเนื่องกันความดำเนินไปความหล่อเลี้ยงชีวิตชีวิตินรีแห่งสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูปเหล่านั้นในสมัยนั้น นี้ชื่อว่าชีวิตินทรีย์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นหรือสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งอิงอาศัยเกิดขึ้นแม่เอินในสมัยนั้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอภยากฤตทธ์ขันสีอายตนะสองธาตุสองอาหารสามอินทรีสามผัสสะหนึ่งกายวิญญาณธาตุหนึ่งธรรมายตนะหนึ่งและธรรมธาตุหนึ่งในสมัยนั้น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 สภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤิปเป็นไฉนมโนท่าที่เป็นวิบากสหรโครด้วยอุเบคามีรูปเป็นอารมณ์และถึงมีโพทภะเป็นอารมณ์หรือปรารกฏอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นเพราะได้ทำได้สั่งสมกามอวจรกุสลกรรมในสมัยใดในสมัยนั้นภัษะเวทนาสัญญาเจตนาจิตวิตกวิจารอุเบขาเอกคตามนินรี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 ความตั้งอยู่แห่งจิตในสมัยนั้นนีเชื่อว่าเอกขตตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นมนณีสีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนจิตมโนมานัตหาไทยปันทะมโนมานายัตนะมินีสีวิญญาณวิญญาณขัน no ์และมโนวิญญาณท่าที่เหมาะสมกันในสมัยนั้นนีเชื่อว่ามนณีสีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นโอเบคหินสีที่ เ, นนเกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไน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 ความดําเนินไปความหล่อเลี้ยงชีวิตชีวิตตินสีแห่งสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูปเหล่านั้นในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าชีวิตตินรีย์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นหรือสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งอิงอาศัยเพิ่เกิดขึ้นแม้อื่นในสมัยนั้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพยากฤิตขันสีอายตนะสองท่าสองอาหารสามอินรีสามภาษาหนึ่งมโนธาตุหนึ่ง ธรรมายตนะหนึ่งและธรรมธาตุหนึ่งในสมัยนั้นรู้สภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งอิงอาศัยกันเกิดขึ้นแม้อื่นในสมัยนั้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพยกฤิตฉังขารขันที่เกิด ข, ขึ้นในสมัยนั้นเป็นไงภาษาเจตนาวิตกวิจารณ์เอกลักษตาและชีวิตินท ร, รีย์หรือสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งอิงอาศาัายกันเกิดขึ้นแม้อื่นในสมัยนั้น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 ท่าที่เป็นกุศลวิปากสหโรครด้วยโสมนัสสภาวะธรรมที่เป็นอภยปริตรเป็นไฉนมโนวิญญาณท่าที่เป็นกุศลวิปากสหโรครด้วยโสมนัสมีรูปเป็นอารมณ์ละถึงมีทรรมเป็นอารมณ์หรือปรารภอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นเพราะได้ทำได้สังสมก ร, รมวจรกุศ ล, ลกรรมไว้ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาจิต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 สัญญาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไงความจำได้กิริยาที่จำได้ภาวะที่จำได้อันเกิดแต่สัมผัสแห่งมโนวิญญาณธาที่เหมาะสมกันในสมัยนั้นนิชื่อว่าสัญญาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเจตนาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไงความจงใจกิริยาที่จงใจภาวะที่จงใจอันเกิดแต่สัมผัสแห่งมโนวิญญาณธาที่เหมาะสมกันในสมัยนั้น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 มณินีสีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนจิตมโนโมานัหาไทยปันระมโนมานายตนะมณินีวิญญาณวิญญาณขันและมโนวิญญาณท่าที่เหมาะสมกันในสมัยนั้นนี้ชื่อว่ามณินีสีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นโซมานสินสีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนความสำราญทางใจความสุขทางใจ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 นิทาที่เป็นกุศลวิบากสหรฆด้วยอุเบกขาสภาวะธรรมที่เป็นอัพยกฤิเป็นไฉนมโนวิญญาณนิทาที่เป็นกุศลวิบากสหรฆด้วยอุเบกขามีรูปเป็นอารมณ์ละถึงมีธรรมเป็นอารมณ์หรือปรารภอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นเพราะได้ทำได้สั่งสมก ร, รมวจรกุศลกรรมไว้ในสมัยใดในสมัยนั้นปัสสะเวทนาสัญญาเจตนา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 นี้ชื่อว่าผัสสะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเวทนาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็ น, นไนควา ม, มสำราญทางใจก็ไม่ใช่ความไม่สำราญทางใจก็ไม่ใช่อันเกิดแต่สัมผัสแห่งมโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันความสวอยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสกิริยาสวอยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น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 นี้ชื่อว่าอุเบกขาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเอกคาตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนความตั้งอยู่แห่งจิตในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าเอกขาตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นมนินทรียีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนจิตมโนมานัตหาไทยปันทะมโนมานายตนะมนินทรียีวิญญาณวิญญาณขัน์ และมโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันในสมัยนั้นนี้ชื่อว่ามนณีสีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นอุเบกขินรีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนความสําราญทางใจก็ไม่ใช่ความไม่สําราญทางใจก็ไม่ใช่ความสวยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุขอันเกิดแต่เจโตสัมผสัสกิริยาสวยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุขอันเกิดแต่เจโตสัมผสัสในสมัยนั้น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 สภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอภยากฤิตสังขารขันธ์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนภาสเจตนาวิตกวิจารณ์เอกขคตาและชีวิตินทรีย์รือสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งอิงอาศัยกันเกิดขึ้นแม้อื่นในสมัยนั้นเว้นเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์และวิญญาณขันธ์นี้ชื่อว่าสังขารขันธ์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอภยากฤิต มโนวิญญาณธาตุาที่เป็นกุศลวิบากสหโรคด้วยอุเบกขาจบมหาวิปากจิตแปดสภาวะธรรมที่เป็นอัพยกฤตเป็นไฉนเพราะได้ทำได้สังสมกรรมวจรกุศลกรรมไว้มโนวิญญาณธาตุาที่เป็นวิบากสหโรคด้วยโสมนัสสัมปยุต ด, ด้วยญาณละถึงสหโรคด้วยโสมนัสสัมปยุต ด, ด้วยญาณเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูง สหรฆด้วยโสมนสัสวิปยุจจากยาน ส, สหรตด้วยโสมนัสวิปยุจจากยานเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูงสหรฆด้วยอุเบกขาสัมปยุจด้วยยานสหรคด้วยอุเบกขาสัมปยุจด้วยยานเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูงสหรฆด้วยอุเบกขาวิปยุจจากยานสหรฆด้วยอุเบกขาวิปยุจจากยานมีรูปเป็นอารมณ์ ละถึงมีธรรมเป็นอารมณ์หรือประรบอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูงในสมัยใดในสมัยนั้นภาษะอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพยกฤิตอพยกตะมูลคืออโลภะอพยากตะมูลคืออโทสะอัพยากตะมูลคืออโมหะสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอพยกฤิกตมหาวิปากจิตแปดจบ วิปากจิตสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤตเป็นไนยโยคาวจรบุคคลเจริญมักเพื่อเข้าถึงรูปภพสังัดจจากกามบรรูุปฐมฌานที่มีปัทวีคสินเป็นอารมณ์อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะอวิเขปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลโยคาวจรบุคคลสังัดจากกาม บรรลุปฐมฌานที่มีปฐวีขศินเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นวิบากเพราะได้ธทำได้สังสมรูปราวจรคุศลกรรมนั้นนั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษะอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพยกฤิตสภาวะธรรมที่เป็นอัพยกฤิตเป็นไนโยคาวจรบุคคลเจริญมักเพื่อเข้าถึงรูปประพบเพราะวิตกวิจารณ์สงบประงับไปแล้ว บรรลุทุติยฌาบนบรรลุตติยฌาบนบรรลุจตุทชฌาบนบรรลุปฐมฌาบนบรรลุปัญจมฌานที่มีปัทวีกสินเป็นอารมณ์อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษะอวิเเคปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลโยคาวจรบุคคลบรรลุปัญจมฌานที่มีปัทวีกสินเป็นอารมณ์ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้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 ฌานวิปากจิตสภาวะธรรมที่เป็นอภิยกรษเป็นไฉนโยคาวจรบุคคลเจริญมรรคเพื่อเข้าถึงอรูปภพเพราะก้าวล่วงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวงเพราะปฏิฆาสัญญาดับไปเพราะไม่มนัสสิการนานัตะสัญญาจึงบรรลุจตุธฌานที่สหรโคด้วยอากราสา น, า น, านสัญญาญญาไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์ได้อยู่ในสมัยใด ในสมัยนั้นภัรษะอวิเเคปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลโยคะวจรบุคคลเพราะก้าวล่วงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวงเพราะปฏิฆาสัญญาดับไปเพราะไม่มนสัสการนานาตัสสัญญาจึงบรรลุจตุทชาญที่สหรโคดด้วยอากาสารนัญจายตนะสัญญาไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้ซึ่งเป็นวิปาก เพราะได้ทำได้สั่งสมอรูปาวจรกุศลกรรมนั้นนั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษามัวิเเคปะเพื่เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพยกฤตสภาวะธรรมที่เป็นอัพยกฤตเป็นไนยโยคาวจรบุคคลเจริญมรรคเพื่อเข้าถึงอรูปภพเพราะก้าวล่วงอากาสานัญจาจตนะโดยประการทั้งปวง จิงบรรลุจัจตุทชานที่สหรโคตด้วยวิญญาณัญจายตนะสัญญาไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษาวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลโยคาวจรบุคคลเพราะก้าวล่วงอากาสานัญจาญัตนะโดยประการทั้งปวงบรรลุจตุชานที่สหรฆอดด้วยวิญญาณัญจายตนะสัญญา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 เพราะก้าล่วงวิญญาณัญจาญัตนะโดยประการทั้งปวงจึงบรรลุเจตุทชานที่สหรฆอด้วยอากินจัญญาญัตนะสัญญาไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษอาอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลโยคาวจรบุคคลเพราะก้าล่วงวิญญาณัญจาญาตนะโดยประการทั้งปวง บรรลุจตุธฌานที่สหรูโตด้วยอาคีนจัญญายตนะสัญญาไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้ซึ่งเป็นวิบากเพราะได้ทำได้สั่งสมอโรปราวจรกุศลกรรมนั้นนั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นพัษะอวิเขฝาก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอัพยกฤตสภาวะธรรมที่เป็นอพยกฤตเป็นไง โยคาวจรบุคคลเจริญมักเพื่อเข้าถึงอรูปภพเพราะก้าวล่วงอาคินจัญญาญตนะโดยประการทั้งปวงจึงบรรลุเจตุธฌานที่สหรคตด้วยเนวสัญญานาสัญญาญตนะสัญญาไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษาอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล โยคาวจรบุคคลเพราะก้าวล่วงอาคินจัญญาญาตนะโดยประการทั้งปวงจึงบรรลุจัสุทธชาญที่จะรอโคตด้วยเนวสัญญานาสัญญาญาตนะสัญญาไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้ซึ่งเป็นวิปากเพราะได้ทำได้สั่งสมอรูปาวจรคุโสลกรรมนั้นนั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาสะอวิเขปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอพยกฤิด อรูปาวจรวิปากจิตจบ